ธรรมะที่เราฝึกไปเรื่อยนะจะรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยคืออริยสัจอริยสัจเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งที่สุดเลยตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจเนี่ยไม่พ้นทุกข์เลยอริยสัจดูเหมือนตื้นตื้นดูเหมือนง่ายๆนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ลึกที่สุดเลยคนที่รู้แจ้งได้เนี่ยคือคนที่ข้ามโลกละพ้นทุกข์จริงๆคนในโลกนี้มีแต่ถูกกิเลสเลาะไปเรื่อย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 เราเห็นว่ามันสุขบ้างทุกบ้างอย่างร่างกายเนี่ยเราเห็นว่าร่างกายเป็นสุขบ้างเป็นทุกบ้างจิตใจก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกบ้างยังมีคู่อยู่สับดาวยังมีคู่ยังมีการดิ้นรนอีกนะจะงดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆใจที่มันดิ้นรนเนี่มันหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ดิ้นรนเพราะประคองไว้นะมันไม่ดิ้นรนเพราะปัญญาปัญญาเห็นความจริงของกายของใจดูเรื่อยๆแล้วเห็นความจริง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 สติเป็นตัวคอยรู้กายสติเป็นตัวคอยรู้ใจร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกใจเราหนีไปเราก็รู้ทันะใจเป็นยังไงก็รู้ทันไม่ประคองนะไม่ประคองไว้ใจิตใจมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงดูเหมือนเห็นคนอื่นนะเห็นใจนี้เหมือนใจคนอื่นเห็นกายนี้เหมือนกายคนอื่นดูไปด้วยมีหมอคนหนึ่งอยู่นคนปรปฐมมาเรียนปีกว่า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 ไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้นะสติเป็นอนัตตาถ้ามีเหตุมันเกิดไม่มีเหตุไม่เกิดหรอกเราะงั้นหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆคนในหัดพุทโธก็พุทโธต่อไปถ้าพุทโธเพื่อหัดรู้สภาวะนะพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดก็รู้ทันพุทโธพุทโธใจไปเพ่งไว้ก็รู้ทันพุทโธใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจเป็นกุศลเป็นอกุศลก็รู้ทันหัดรู้ทันสภาวะไป คนไหนฝึกดูท้องผองยุบก็ดูต่อไปนะไม่ต้องเลิกฝึกไปแต่ว่าไม่ได้ดูท้องผองยุบเพื่อไปเพ่งอยู่ที่ท้องให้ดูท้องผองยุบเพื่อหัาสังเกตสภาวะเช่นเราดูท้องผองยุบสักพักหนึ่งจิตนี้ไปคิดแล้วจิตนี้ไปคิดรู้ทันว่าจิตนี้ไปคิดดูไปสัพกพักหนึ่งจิตลงไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ทันว่าเพ่งท้องแล้ะดูไปแล้วเกิดปีติเกิดความสุข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 ท่านก็เลยนึกได้ไปเอาไอ้เครื่องเนี้มากดเผลอหนึ่งครั้งกดหนึ่งทีบอกตอนนี้เผลอได้วลาสามร้อยกว่าครั้งละโอ้เผลอบ่อยใจไหลแวบรู้ทันเลยกดไปหนึ่งแจมความจริงไม่กดก็ได้นะแค่ไหลแล้วรู้ก็พอละแต่ท่านอยากรู้ว่าท่านจะเผลอเยอะแค่ไหนท่านกดไปด้วยนะวันหนึ่งเผลอสามร้อยกว่าครั้งอันนี้เฉพาะตอนที่ถือไอ้เครื่องนี้นะ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 บอกนี่พี่การปฏิบัติเนี่ยทำยังไงจันหน่องก็วางฟอร์มนะบอกเอ็งนั่งขัดสมาธินะเอ็งต้อนวดตัวเองไปเนี่ยนวดเบาๆนวดไปเรื่อยๆอยเห็นไหมนี้มันก็คือการหาอารมณ์อั น, นึงมาเป็นเครื่องอยู่นั่นเองนะเราจะใช้การนวดอย่างนี้ก็ได้ใช้ขยับมือก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้พุทโธก็ได้ดูท้องพองยุบ ก, ก็ได้นะอะไรก็ได้นี่จันหน่องก็ไปสอนน้องให้นวดอย่างนี้นวดไปเรื่อยๆไม่ต้องนวดแรงเดี๋ยวเคล็ดนะว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 ตายเราสี่ตัวเองทำไม่เป็นนะคราวนี้ก็เลยใช้ตำลาตู้อีกแล้วบอกว่าเอาเก้าอี้ให้ประท่านนั่งนะรู้สึกไหมใจเราหนีไปอยู่ที่พระรู้สึกไหมนะนิมนต์นั่งเลยครับนิมนต์นิมนต์นะครับนะน้องถามว่าเอา้าเหลือก็รู้จักแล้วเพ่งก็รู้จักแล้วทำยังไงอีก จันน่องก็ตกใจนะบอกอะต่อไปนี้เมื่อเองทําเป็นแล้วเองต้องทํามากๆต้องขยันนะอย่าขี้เกียจ น, นะสอนน้องเสร็จนะ่ะหนีเข้าห้องเลยนะลัวมันถามอีกเอาบ้างเลยทุบเองบ้างนะสอนเข้าตัวเองยังไม่ได้ทําเลยนั่งนวดนวดนว ด, นวดจิตเสลอไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้นะในที่สุดก็เลยภาวนาเป็นจริงๆแล้วไม่ได้ยากอะไรหรอกหัดรู้สภาวะนั่นเองเพราะงั้นเราทํากรรมฐานอะไรเคยทํากรรมฐานอะไรเราก็ทํากรรมฐานนั้นนั่นแหละนะ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 ตรงที่ปล่อยวางจิตเนี่ยไม่มีหยิบช่วยอะไรขึ้นมาอีกแล้วนะเพราะจิตนี้เป็นสิ่งที่หวงแหนที่สุดรักที่สุดว่าเป็นตัวเราเราจะรู้สึกนะในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้ก็เราตั้งแต่เด็ ก, ดกๆก็เราคนเดิมเนะี่ยหัดรู้หัดดูไปเรื่อยว่าจิตไม่ใช่ตัวเดียวหรอกจิตเกิดดับเกิดดับทั้งวนันเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปคิดนะเดี๋ยวก็เป็นสุขเดี๋ยวเป็นทุกข์เดี๋ยวก็เป็นกุศลอนะกุศลมีแต่ความไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเรื่อยๆ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 เพราะฉะนั้นจิตไหลไปอยู่ที่ท้าก็รู้จิตหนีไปก็รู้นะจิตเป็นไงก็รู้อ้หลวงพอ่อหลวงพ่อฉันข้าวไหมายังครับอ อ, อครับดีแล้วพี่แอดพี่แอดดีกว่าข้าก่อนนะอ่ะพี่ไวยนี่รุ่นหนึ่งเหมือนกัน อ่าไม่ใช่เราไปเรียนใจ ร, รักเราไปเรียนให้เห็นว่าไม่สมอยากหรอกอย่างเราคาดหวังว่าไปวัดจะต้องดีเงี้ยเสร็จแล้วมันไม่ดีให้ดูมันสอนนะมันมันไม่ได้ไม่ดีอืมันไม่ไม่ได้อย่างใจ <c oughs> คือเราไปตั้งเป้าไปสอนไม่ควรตั้งอืมไม่ควรตั้งนะเราไปดูตัวเองไปดูกายไปดูใจตัวเอง น, น, นนะแค่จันตันพะดีนะพระแท้แท้จันตัน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 รู้รู้ความจริงของกายของใจกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ละคนเห็นนั่นเดียวแหละบางคนก็เห็นไม่เที่ยงบางคนก็เห็นความทุกข์นะบางคนเห็นอนัตตาเห็นนั่นเดียวก็พอเห็นนั่นเดียวก็ตัดแล้วดีแล้วละ่ะให้มันต่างกันดีกว่าคงที่อยู่อันเดียว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 สติเกิดบ่อยๆจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสัมมาสมาธิเกิดไม่หลงไปไม่ไหลไปรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกมากๆปัญญาเขาเกิดแ ค, แค่นี้พอละดูว่าสติเกิดไม่เกิดไม่เอาดูว่าสติเกิดไม่เกิดเท่านั้นแหละการปฏิบัติเหลือนิดเดียวมีสติหรือขาดสติเหลือแค่นี้เองมีสติหรือขาดสติ